ตามพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นการดูแลรักษาใจและพัฒนาใจให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับต่อไปเพราะมีความเชื่อในคาสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสไว้ว่าใจนี้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่สุด ข, ของชีวิตเรา ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นที่ใจไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยู่ที่ใจทั้งหมดแม้แต่ไรภพคือภพทั้งสามได้แก่การมาภพรูปภพและอรูปภพก็อยู่ในใจของเราเนี่เองไม่ได้เป็นสถานที่อย่างที่ เราเข้าใจกันสถานที่นั้นเป็นเพียงส่วนต่อออกมาจากใจเช่นเวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ใจก็มีส่วนต่อเชื่อมกับโลกของมนุษย์ก็คือร่างกายนี้แต่ความเป็นมนุษย์นั้นอยู่ที่ใจเช่นเดียวกับสวรรค์หรือนรกก็อยู่ที่ใจ ไม่ได้เป็นสถานที่นรกก็คือสภาพของใจที่ย่ำแย่ที่มีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความทุกข์ทรมานใจนั่นแหละคือนรกส่วนสวรรค์ก็คือสภาพของความร่มเย็นเป็นสุขของใจเวลาใจมีความร่มเย็นเป็นสุขใจก็คือสวรรค์ สวรรค์ไม่ได้เป็นพื้นที่ไม่ได้เป็นอนาณาเขตแต่เป็นสภาวะของใจใต้พบนี้ก็เป็นสภาวะสภาวะของใจการมาพบก็คือใจที่ยังมีความยินดีกับกามต่างๆคือรูปเสียงกลิ่นรสก็จะต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสที่มี หลายลักษณะด้วยกันส่วนหยาบก็มีส่วนละเอียดก็มีส่วนหยาบก็ต้องอาศัยร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของมนุษย์หรือร่างกายของเดรัจฉานไว้เป็นเครื่องมือหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างพวกเรานี้ขณะนี้ใจของเราอยู่ในกามะพกเพราะใจของเรา ยังมีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะอยู่ยังค่ายควรยังยังแสวงหาความสุขจากการได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ลิ้มรสได้ดมกลิ่นได้สัมผัสกับสิ่งต่างๆนี่เรียกว่ากามฉันทะความยินดีในกามถ้ามีความยินดีในกามส่วนอยากก็ต้องมีร่างกาย ไว้เป็นเครื่องมือเพราะร่างกายจะมีตาหูจมูกลิ้นกายไว้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโวดภาพถ้าจิตใจเป็นจิตใจที่ต่าที่ขาดศีลธรรมจิตใจก็จะได้ร่างกายของเดรัจฉานเช่นร่างกายของสุนัขของแมวของนกเป็นเครื่องมือไว้หาความสุข ซึ่งเป็นความสุขที่น้อยกว่าความสุขของมนุษย์ความสุขของเดรัชานี้จะมีภัยรอบด้านเพราะเดรัฉานี้เขาไม่มีสิ่เหมือนมนุษย์มนุษย์มีสิ่คือมีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นเช่นชีวิตของผู้อื่นหรือทรัพย์สินของผู้อื่นมนุษย์ส่วนใหญ่จะ เคารพในสิทธิเหล่านี้นอกจากมนุษย์บางส่วนที่มีจิตใจที่ตกต่ำคือร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานนเขาก็จะประพฤติปฏิบัติแบบเดรัจฉานคือจะไม่มีความเคารพในสิทธิของผู้อื่นเช่นเขาจะลักทรัพย์จะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพื่อที่ จะได้หาความสุขจากการที่ได้เงินทองหรือเข้าของต่างๆมาบำรุงบำเรอจิตใจทางตาหูจมูกนิ้งกายแต่ใจนี่แหละเป็นผู้เป็นมนุษย์หรือเป็นเดราาัจฉานหรือเป็นเทพถ้าเป็นเทพใจก็จะเสพหากามที่เป็นส่วนละเอียด ที่เรียกว่าอาหารทิพย์ชนิดต่างๆรูปทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นทิพย์รสทิพย์สัมผัสทิพย์นี้ก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายไว้เป็นเครื่องมือเพราะใจสามารถสัมผัสได้โดยตรงถ้าเวลาที่เรานอนหลับแล้วเราฝันฝันดีฝันมีความสุขกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดภายในฝัน ในขณะนั้นก็เป็นเหมือนใจได้อยู่สวรรค์ได้เสพอาหารทิพย์แล้วเพราะใจสามารถมีความสุขได้โดยไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกายเพราะในขณะนั้นร่างกายนอนหลับไม่ได้รับลูกเสียงกลิ่นรสที่เป็นส่วนใหญ่แต่ใจได้รับลูกเสียงกลิ่นรสที่เป็นส่วนละเอียด ที่เรียกว่ารูปทิพย์เสียงทิพย์เป็นต้นในขณะนั้นก็ถือว่าได้เป็นเทวดาได้อยู่ในสวรรค์เพียงแต่ว่าเป็นสวรรค์ชั่วคราวเพราะพอร่างกายตื่นขึ้นมาสวรรค์นั้นก็จะหายไปใจก็ต้องกลับมารับรู้กับรูปเสียงกลิ่นรสที่เป็นส่วนหยาบที่รับจากตาหูจมูกนิ้นกาย นี่คือเรื่องของใจเป็นอย่างนี้ถ้าเราอยากจะรู้ว่าสวรรค์นรกนั้นอยู่ที่ไหนขอให้เราหันเข้ามาดูที่ใจของเราใจเป็นผู้ที่รับรู้เรื่องราวต่างๆทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีและใจเป็นผู้สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาภายในใจนรกก็ขึ้นเกิดจากการสร้างของใจ สวรรค์ก็เกิดจากการสร้างของใจไม่มีใครมาสร้างสวรรค์มาสร้างนารกให้กับเราไม่มีใครมาสร้างมรรคผลนิพพานให้กับเราแม้แต่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายก็ไม่สามารถสร้างมรรคผลนิพพานให้แก่พวกเราได้ท่านเพียงแต่สอนให้เรารู้จักวิธีสร้างมรรคผลนิพพาน สร้างนารกสร้างสวรรค์ให้กับเราเทานั้นแต่เรานี้เป็นผู้สร้างสวรรค์สร้างนารกสร้างภพชาติต่างๆหรือสร้างความสิ้นสุดของภพชาติต่างๆด้วยการกระทําของใจก็คือความคิดในเองใจคิดอะไรแล้วก็จะทาให้เกิด เป็นสิ่งต่างๆขึ้นมาถ้าคิดไปในทางสวรรค์ใจก็จะได้สวรรค์ถ้าคิดไปในทางนรกใจก็จะได้นรกถ้าคิดไปในทางมรรคผลนิพพานใจก็จะได้มรรคผลนิพพานใจนี่แหละเป็นผู้ที่สร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาทั้งหมดตายภพนี้ไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจ เราสามารถเปลี่ยนภพชาติของเราได้ด้วยความคิดของเราเมื่อเราคิดแล้วเราก็ต้องพูดและทำตามความคิดของเราเช่นถ้าเราไม่อยากจะสร้างนรกเราก็ต้องคิดไม่ทำบาปเราจะต้องไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณี ไม่พูดปดมดเท็จไม่เสพสุรายาเมองและยุ่งเกี่ยวกับอบายมุกต่างๆเพียงแต่คิดเฉยๆยังไม่พอคิดแล้วก็ต้องทำด้วยคือต้องหยุดเพียงแต่หยุดเท่านั้นเองไม่ต้องทำเท่านั้นเองไม่ใช่เป็นสิ่งยากเย็นอะไรเลยเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็หยุดฆ่าเคยพูดปดก็หยุดพูดเคยรักทรัพย์ก็หยุดลักทรัพย์ เคยประพฤติผิดประเวณีก็หยุดประพฤติผิดประเวณีเท่านั้นใจก็จะกลายเป็นสวรค์ขึ้นมาได้คือใจสามารถลบล้างนารกออกไปจากใจของตนได้อยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นถ้าอยากจะได้ไปมรรคผลนิพพานใจก็ต้องคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงไม่อยากได้อะไรต่างๆทั้งหลายในโลกนี้ ที่คนอื่นเขาอยากได้กันเช่นไม่อยากได้ลาบยศสรเสริญและความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไม่สนใจไม่ปรารถนาต้องการเพียงความสงบของจิตเท่านั้นที่เกิดจากการตัดความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายหาที่สงบสงับวิเว้อยู่ตามลําพังปราศจาก รูปเสียงเกินลดที่มายั่วยวนกวนใจรอใจให้ติดเป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดถ้าไปอยู่ตามป่าตามเขาตามที่สงบสงัดที่ไม่มีแสงสีเสียงของทางโลกสถานที่เหล่านั้นก็จะอำนวยให้ได้สร้างความสงบทางจิตใจ ได้สร้างความสุขที่แท้จริงให้แก่จิตใจความสุขนี่แลที่เป็นพระนิพพานก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจจะเป็นพระนิพพานก็ต่อเมื่อเป็นความสุขที่ถาวรต่อเมื่อได้กำจัดได้ชาระความโลภความโกรธความหลงให้หมดสิ้นไปจากจิตจากใจไม่มีความโลภความโกรธความหลง หลงเหลืออยู่ภายในจิตในใจเลยเท่านั้นถึงจะเป็นพระนิพพานอย่างแท้จริงถ้ายังมีความสุขสลับกับความทุกข์หรือมียังสลับกับความอยากความโลภความโกรธอยู่ความสุขนั้นยังไม่ถือว่าเป็นพระนิพพานแต่เป็นความสุขที่เกิดจากการเจริญมรรคเจริญผลอยู่เช่นในขณะที่เราทำจิตใจให้สงบ ขณะนั้นความโลภความโกรธความหลงก็ไม่ได้แสดงอาการออกมาตอนนั้นก็เป็นความสงบเป็นพระนิพพานชั่วคราวแต่ความสงบของสมาธินี้ไม่ถาวรไม่จีรังไม่ยั่งยืนจะสงบได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งหลังจากนั้นแล้ว จิตก็จะต้องถอนออกมาจากความสงบพอถอนออกมาแล้วมารับรู้สิ่งต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเกิดมีกิเลสขึ้นมาเกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาความรักก็คือความโลภความชังก็คือความโกรธซึ่งเกิดจากความหลงที่เห็นว่าสิ่งต่างๆนั้น ยังน่ารักน่าชังอยู่เพราะไม่เห็นธรรมชาติที่แท้จริงของเขาว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่มีตัวมีตนถ้ามีปัญญาเวลาสัมผัสรับรู้กับสิ่งต่างๆทางตาหูจมูกลิ้นกายก็จะเห็นความไม่เที่ยงจะเห็นว่าเป็นความทุกข์มากกว่าเป็นความสุข จะเห็นว่าไม่ใช่เป็นสมบัติที่แท้จริงจะต้องสูญจากกันไปสักวันหนึ่งถ้าเห็นอย่างนี้แล้วก็จะไม่เกิดความรักเกิดความชังขึ้นมาเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรรักแล้วก็ต้องมาเสียใจในภายหลังต้องมาทุกข์ในภายหลังเมื่อต้องสูญเสียสิ่งที่ตนรักไปเวลาชังก็ไม่ มีคุณประโยชน์กับใจเพราะทำให้ใจมีความรุ่มร้อนมีความทุกข์ไม่สบายนีถ้ามีปัญญาและมีสมาธิคือถ้าจิตออกจากสมาธิแล้วจะมีความเย็นหล่อเลี้ยงจิตใจอยู่จะทำให้เห็นเวลาที่เกิดความโลภนั้นเหมือนกับเกิดไฟขึ้นมาภายในใจหรือเวลาเกิดความ โกรธก็จะเหมือนกับมีไฟลุกขึ้นมาภายในใจเหมือนกับภูเขาไฟที่ระเบิดเวลาที่มีเหตุทําให้เขาระเบิดใจของเราที่มีสมาธิแล้วพอออกมาถ้าไม่เห็นอะไรก็จะรู้สึกเฉยเฉยสบายแต่ถ้าไปเห็นอะไรที่เกิดอารมณ์ขึ้นมาทําให้เกิดความรัก แล้วเกิดความชังขึ้นมาใจก็จะร้อนขึ้นมา ท, าทันทีตอนนั้นต้องใช้ปัญญาเข้ามาแก้ต้องให้เห็นว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นใจรับคือไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่อยู่กับเราไปตลอดสิ่งที่เราคิดว่าให้ความสุขนั้นความจริงให้ความทุกข์กับเรามากกว่า พอให้ความสุขเพียงเดียวเดียวแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาและต้องทุกข์กับความเสียใจเมื่อเกิดความสูญเสียสิ่งที่เรารักไปนี่คือปัญญาที่จะมาช่วยทำให้เราสามารถละความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจของเราได้ให้เราได้สวรรค์ให้เราได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานตามลำดับได้ด้วยการเจริญปัญญาและด้วยการนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเพราะก่อนที่เราจะเจริญปัญญาได้จิตใจของเราต้องสงบถึงจะสามารถ มองเห็นสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงได้ถ้าจิตไม่สงบจิตจะมีอารมณ์ของกิเลสที่ทำให้ไม่สามารถมองเห็นความจริงได้เพราะจะมีกิเลสหรืออารมณ์นี้มาคอยปฏิเสธมาคอยขัดขวางไม่ให้เห็นความจริงเหมือนกับแว่นตาที่ไม่สะอาดจะไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริงของเขาได้แม่นตาต้องได้รับการเช็ดทาความสะอาดเสียก่อนถึงจะสามารถเห็นภาพตามความจริงของเขาได้แล้วเมื่อเห็นแล้วมีมีความรู้มีคําสอนที่สอนให้เห็นสิ่งที่เราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าคือเราต้องใช้การวิเคราะห์ เช่นความไม่เที่ยงนี้เราจะไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าเพราะสิ่งที่เราเห็นมันเหมือนกับว่ามันเที่ยงมันนิ่งเช่นร่างกายของเราเรามาองร่างกายของเราแล้วก็เห็นว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรไปแต่ถ้าเราใช้ปัญญามาวิเคราะห์มาดูรูปที่เราถ่ายเมื่อสักสิปีที่แล้วหรือยี่สิปีที่แล้วแล้วเรามาดูหน้าของเราในวันนี้ เราก็จะรู้ว่าเป็นเหมือนคนละคนไปเลยอย่างนี้เราถึงจะเห็นความไม่เที่ยงการเปลี่ยนแปลงถ้าเรามองไปทัางหน้าเราก็ต้องมองเห็นร่างกายของเราแก่ลงไปเห็นร่างกายของเราเจ็บไข้ได้ป่วยต้องเข้าโรงพยาบาลต้องหาหมอและในที่สุดก็ต้องเห็นร่างกายเรานอนอยู่ในโรงหรือถูกเผา ในเมนจนกลายเป็นเท่าฐานไปถ้าเราไม่มองไม่วิเคราะห์ด้วยปัญญาเราจะคิดว่าร่างกายของเราจะเป็นอย่างนี้ไปตลอดเราจะอยู่อย่างนี้ไปตลอดแต่พอความจริงเริ่มมาเริ่มมากระทบเวลาที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราผ่านเหตุการณ์ที่ทําให้เรา ใกล้เป็นใกล้าตายใกล้ความตายมันก็จะทําให้เราตกอกตกใจเพราะว่าเราไม่ได้ศึกษาความไม่เที่ยงของร่างกายนี้เอาไว้ก่อนเราจึงมีความยึดติด ก, กับความเที่ยงของร่างกายเราคิดว่าร่างกายของเราจะอยู่ไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดเพราะเราไม่วิเคราะห์ด้วยปัญญา เราไม่ได้มองเห็นไตรลักษณ์ไม่เห็นความไม่เที่ยงในร่างกายไม่เห็นความทุกข์ที่เกิดจากความยึดติดอยู่กับร่างกายไม่เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราแต่ถ้าเราศึกษาใช้ปัญญาวิเคราะห์เราก็จะเห็นว่าร่างกายของเรานี้ไม่เที่ยงต้องมีการผ่านขั้นตอนคือเกิดแล้วก็ต้องแก่ตาม มาแล้วก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตามมาแล้วก็ต้องตายตามมานี่คือการวิเคราะห์ด้วยปัญญาที่เราต้องพยายามทําอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ําเสมอเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเราจะเผลอเวลาใดที่เราไม่คิดถึงความไม่เที่ยงความหลงก็จะหลอกให้เราคิดถึงความเที่ยงทันทีเพราะฉะนั้นเราต้องคิดถึงความไม่เที่ยง จนกว่าความรู้สึกว่าเที่ยงนี้มันหายไปจากใจจนกว่าเราจะยอมรับความไม่เที่ยงของร่างกายได้ยอมรับว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาเมื่อเรารับได้แล้วเราก็จะได้ไม่มีความวิตกกังวลกับความแก่ความเจ็บความตายหรือถ้าเราไม่แน่ใจ เราก็ลองไปหาสถานที่พิสูจน์ดูดูว่าเรายอมรับความจริงคือความแก่ความเจ็บความตายได้หรือไม่เช่นไปอยู่ในสถานที่มีความรู้สึกที่จะทำให้เราเกิดความกลัวตายขึ้นมาแล้วดูว่าเราสามารถดับความกลัวตายได้หรือเปล่าความกลัวตายนี้เกิดจากความอยากให้ร่างกายเที่ยง อยากให้อยู่ไปตลอดแต่ถ้าเรามีปัญญาเห็นความไม่เที่ยงยอมรับความจริงว่าร่างกายไม่เที่ยงเราก็จะสามารถดับความกลัวได้ความกลัวตายนี้อยู่ที่อยู่ที่ความหลงที่คิดว่าร่างกายจะอยู่ไปตลอดคิดว่าร่างกายนี้เที่ยงแท้แน่นอนแต่ถ้าไม่มีความกลัวตาย ก็แสดงว่ามีปัญญายอมรับความจริงว่าร่างกายนี้ต้องตายอย่างแน่นอนไม่มีใครหนีพ้นไปได้ไม่ว่าจะเป็นปุถุชนธรรมดาหรือพระอาหารหันต์พระพุทธเจ้าร่างกายในเหมือนกันทุกคนต่างกันที่ใจเท่า น, นั้นใจของพระอาหารหันต์ใจของพระพุทธเจ้าไม่มีความกลัวตายเพราะท่านเห็นความจริงท่านมีปัญญา ที่คอยคุ้มคุมความหลงไม่ให้สร้างความรู้สึกว่าร่างกายนี้เที่ยงหรืออยากจะให้ร่างกายนี้อยู่ไปตลอดนี่คืองานของปัญญาที่จะทำให้ใจนี้หลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้เช่นหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยและความตาย และการพัดผ่าจากสิ่งทั้งหลายที่เรารักที่เราชอบได้ใจนี่แลเป็นพระนิพพานไม่ใช่ร่างกายร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟร่างกายมาจากอาหารอาหารก็มาจากดินน้ำลมไฟต้นไม้ใบหญ้าต้นข้าวทต่างๆก็ต้องมีดินมีน้ำมีอากาศมีความร้อนถึงจะเจริญเติบโต ออกรวงเป็นข้าวเป็นผลไม้เป็นผักให้เรารับประทานกันเราก็เอาดินน้ำลมไฟในรูปของข้าวของผลไม้ของผักเข้ามาในร่างกายแล้วก็เอามาแปลงสภาพให้เป็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆแล้วเมื่อร่างกายนี้หยุดทํางานผมขนเล็บฟันเหล่านี้ก็จะกลายเป็นดินน้ำลมไฟไป นี่คือร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นของพระอาหารหันต์ของพระ พ, พุทธเจ้าหรือของปุตุชนเป็นเหมือนกันหมดไม่มีใครหนีพ้นในเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายแต่ใจนี้หนีพ้นความทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายได้ด้วยการคิดด้วยปัญญาคิดเสมอว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ ไม่ใช่ของเราถ้าเราคิดว่าเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาเราจะไม่ยึดติดกับรายเลยไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของคนอื่นก็ดีเราจะรู้ว่าเขาจะต้องแก่จะต้องเจ็บและจะต้องตายจากเราไปหรือไม่เช่นนั้นเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายจากเขาไปการไปยึดไปติดไปหวงไปห่วง จึงไม่เป็นประโยชน์แก่จิตใจแต่เป็นโทษเพราะจะทำให้ต้องทุกข์ทรมานใจต้องกังวลใจต้องหวาดกลัวไ ป, ปเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นการสร้างความทุกข์เท่านั้นถ้ามีความคิดที่ถูกต้องถ้าคิดว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราก็จะไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์ ใครจะเป็นอะไรเมื่ อ, อไรเวลาใดที่ไหนไม่สําคัญเป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาได้หรือเปล่าเราไปยับยั้งให้ไม่ให้เกิดขึ้นได้หรือเปล่าเป็นไปไม่ได้ถ้าถ้าห้ามได้ก็ห้ามในบางอย่างเราก็พอจะห้ามได้ในบางเวลาบางครั้งแต่เมื่อถึงเวลาที่ห้ามไม่ได้เราก็ต้องทําใจเราก็ต้องยอมรับความจริง เมื่อเรายอมรับความจริงแล้วเราจะอยู่ได้อย่างร่มเย็นเป็นสุดใจของเรานี้จะเป็นสวรรค์จะเป็นมรรคผลนิพพานตลอดเวลาไม่ต้องรอถึงเวลาตายเพราะเราสามารถสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้านั้นส่งได้พระนิพพาน ตั้งแต่วันที่ทรงตัดสรู้ที่ใต้ต้นโพในวันเพ็ญเดือนหกในขณะที่มีพระชนมายุเพียง36พันษศาเท่านั้นพระไถ่ของพระพุทธเจ้านั้นเป็นพระนิพพานไปแล้วไม่ต้องรอให้ถึงวันที่เสด็จดับขันปรณิพพานคำว่าเสด็จดับขันก็คือการแยกออกจากใจที่เป็นนิพพาน จากร่างกายที่เป็นธาตุสีด่ดินน้ำลมไฟเท่านั้นเองแต่พระนิพพานนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเป็นอยู่เป็นตั้งแต่ในขณะที่ยังมีร่างกายอยู่ด้วยกันและหลังจากที่ร่างกายนี้ดับไปแล้วก็ยังเป็นนิพพานอยู่เช่นเดิมไม่เปลี่ยนแปลงใจของพวกเรานี้สามารถเป็นนิพพานได้ในปัจจุบันนี้ สามารถเป็นสวรรค์ได้ในปัจจุบันนี้หรือสามารถเป็นนรกก็ได้ในปัจจุบันนี้ถ้าเราสร้างความโลภสร้างความโกรธสร้างความหลงอยู่เรื่อยๆแล้วก็ไปทําบาปทํากรรมไปเบียดเบียนไปสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นหรือไปหลงยึดติดกับทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองไปยึดติดกับร่างกายของคนนั้นของคนนี้ หรือของเราก็จะทำให้เราเกิดนารกขึ้นมาภายในใจได้เวลาที่เกิดความทุกข์ทรมานเกิดความวิตกเกิดความกังวลกับคนที่เรารักว่ากลัวว่าเขาจะเป็นอะไรไปหรือเขาจะตายจากเราไปหรือเวลาที่เขาตายจากเราไปแล้วเราร้องผมร้องไห้เศร้าสศกเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับ นั่นแหละคือวิธีสร้างนรกให้กับใจของเราจะร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจมากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถทำให้เขากลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ทำไปทาไมทาให้เราต้องทุก์ไปเปล่าๆทำไมคนฉลาดจะไม่ทำอย่างนี้คนที่มีปัญญาจะไม่ทำอย่างนี้จะนิ่งเฉยจะตั้งอยู่ในความสงบ แต่จะใช้ความจริงอันนี้มาเตือนสติว่าเราก็กำลังที่จะเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เขาได้ไปถึงคือเราก็จะต้องตายเหมือนเขาเอามาเป็นเครื่องเตือนสติเอามาเป็นเครื่องเสริมสติปัญญาของเราเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องร้องห่มร้องไห้เศร้าสศกเสียใจไม่ต้องทุกข์ทรมานใจ นี่คือการสร้างสิ่งต่างๆด้วยใจของเราคือความคิดของเรานี่เองถ้าเราคิดไปในทางที่ดีคิดความคิดที่มาจากสัมมาทิฏฐิความคิดที่เห็นตามความจริงเห็นว่ามีความเที่ยงมีความทุกข์มีความไม่ไม่ใช่เป็นของเรานี้อยู่ในใจของเราอยู่แล้ว ใจของเราก็จะคิดดีพูดดีทำดีจะไม่โลภอยากได้อะไรจะไม่โกรธใครจะไม่หนงยึดติดกับใครทั้งนั้นเพราะรู้ว่าไม่สามารถที่จะยึดติดได้นั่นเองเพราะรู้ว่าความยึดติดนี้จะทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจนี่คือการดูแลรักษาใจของเราด้วยธรรมะ ด้วยการคิดดีพูดดีทำดีโดยอาศัยพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางพระพุทธเจ้าสอนให้คิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพวกเราก็ต้องคิดไม่โลภไม่โกรธไม่หลงท่านสอนให้เราคิดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราเราก็ต้องคิดแบบนี้ถ้าเราคิดแบบนี้แล้วเราก็จะสร้างสวรรค์สร้างมรรคผลนิพพานให้กับเรา เราจะไม่ต้องไปเราจะไม่มีม า, าราบมามารบ ก, กวนใจเราเราจะอยู่ในสวรรค์อยู่แต่ในพระนิพพานเท่านั้นจึงขอฝากเรื่องของการดูแลรักษาใจของเราด้วยการคิดดีพูดดีทำดีตามพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้ให้ท่านได้นำเอาไปเพนิดพิจารณา